สวัสดีครับเพื่อนๆกาลยานามิทุกท่านนะครับที่กำลังอ่านบทความของผมอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสนะครับได้พบเห็นคุณป้าท่านนึงนะครับที่เพื่อนๆนใน f a c e b o o นะครับทำการโพสต์นะครับเอาไว้ทำให้ผมนะครับอดที่จะสนใจในตัวของคุณป้าท่านนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าในสิ่งที่คุณป้าท่านนี้นะครับท่านได้ทำนะครับมันช่างยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่มากเลยซึ่งคุณป้าท่านนี้นะครับมีชื่อว่าคุณป้าเล็กนะครับคุณป้าเล็กท่านนี้นะครับมีอาชีพโดยการ เก็บของเก่านะครับประทางชีวิตนะครับแต่ด้วยจิตใจนะครับของคุณป้าเล็กนะครับที่มีเมตตาต่อน้องหมานะครับน้องหมาจรจัดข้างถนนนะครับท่านจึงเก็บนะครับน้องหมาเหล่านั้นนะครับมาเลี้ยงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับมีมากกว่า50ตัวเลยทีเดียวนะครับลาพังนะครับตัวคุณป้าเล็กเองนะครับจะมีเงินนะครับซื้อข้าวกินนะครับวันต่อวันก็ยังแย่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณป้าท่านทำนะครับเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มองบากนะครับซึ่งสิ่งที่ผมเห็นนะครับ คุณป้าท่นนี้ท่านทำกับน้องหมานะครับเป็นภาพที่วระทูใจผมยิ่งนักเลยนะครับเพราะว่าความเมตตาต่อสัตว์โลกนะครับของคุณป้าเล็กนะว่าน่าสรรเสริญไปอย่างมากเลยนะครับเพราะสิ่งที่คนอื่นนะครับทำได้ยากมากนะครับแต่ว่าสําหรับคุณป้าเล็กเนี้ยเป็นเรื่องที่คุณป้าท่านทําได้อย่างง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าคุณป้าท่านนะครับทำด้วยจิตใจที่รักน้องหมานั่นเองนะครับผมก็เลยทนไม่ได้ครับทนที่จะไปดูด้วยตาตัวเองไม่ได้นะครับดังนั้นผมก็เลยพูดคุยกับ พระ อ, อาจารย์ทองหล่อนะครับหรือว่าหลวงอานะครับซึ่งท่านเป็นอาของผมนะครับปัจจุบันนี้ท่านก็30กว่าพรรษาลแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ไปสร้างวัดด้วยนะครับที่ประเทศอังกงนะครับเพื่อให้คนไทยนะครับที่อยู่ประเทศอังกงนะครับได้มีที่ยิ่เดียวทางจิตใจนั่นเองนะครับผมก็เลยพูดคุยกับหลวงอาครับว่าผมอยากไปดูนะครับอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองผมก็ตัดสินใจนะครับขับรถนะครับจากจังหวัดสุวรรณกามินะครับไปที่ จังหวัดลรายองนะครับซึ่งใช้เวลาขับรถโดยประมาณสองชั่วโมงนะครับสอชั่วโมงกว่ากว่าโดยใช้ gps นะครับนำทางไปซึ่งต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่โพสต์นะครับพิกัดไว้ใน facebook ด้วยนะครับผมจึงนะครับไปตามพิกัดนั้นนะครับที่เขาได้โพสต์ไว้ใน Facebook ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอหรือเปล่านะก็สุ่มๆไปนะครับในที่สุดนะครับผมก็ได้เจอคุณปลาเลยครับแต่ภาพแรกนะครับที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกประทับใจไปอย่างมากเลยนะครับก็คือ การไหว้นะครับการไหว้ของคุณป้าเล็กซึ่งคุณป้าเล็กท่านไหว้แบบสวยงามมากนะครับท่านท่านไหว้แบบยังไงอะคือย่อขาแบบผู้หญิงอะครับแบบเด็กต้องเรียนไหว้ครับแต่ว่าลักษณะนั้นคือท่านไหว้แบบอ่อนน้อมถ่อมตนมากนะครับเป็นภาพที่ติดตาผมมากๆนะครับครั้งแรกที่ได้เจอคุณป้าท่านท่านก็ยกมือไหว้นะครับผมก็ไหว้ตอบนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันแต่สิ่งนึงนะครับที่ผมเห็นนะครับนั่นก็คือคุณป้าเล็กนะครับ เก็บน้องหมามาเลี้ยงนะครับมากกว่า50ตัวเลยนะครับแล้วผมก็ได้สังเกตเห็นนะครับว่าน้องหมาเหล่านั้นนะครับมีบางตัวก็ปัดเจ็บนะครับหรือว่าป่วยด้วยนะครับก็อดนึกไม่ได้เลยว่าคุณป้าเล็กท่านใช้ชีวิตอยู่กับน้องหมาเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับเพราะว่ามีมากถึง50ตัวเลยทีเดียวแต่สิ่งอย่างหนึ่งครับที่ผมสังเกตเห็นนะครับก็คือที่พักนะครับที่พักของคุณป้าเล็กนะครับซึ่งเป็นกระต่อบนะครับหรือว่าจะเรียกว่ากระท่อมก็ได้นะครับซึ่งเป็นลักษณะ เหมือนที่เก็บของมากกว่านะครับไม่เหมือนไม่เหมือนบ้านนะครับซึ่งจะเรียกว่าบ้านก็คงไม่ใช่นะครับซึ่งผมเห็นแบบนั้นแล้วนะครับก็อดคิดไม่ได้นะครับแต่หากว่าฝนตกนะครับหรือว่าลมแรงๆเงี่ยคุณป้าเล็กท่านจะทำอย่างไรนะครับก็เลยขอคุณป้าเล็กไปดูที่นอนหน่อยนะครับว่าคุณป้าเล็กนอนที่ไหนท่านก็ไม่ตาผมนะครับก็ได้นําผมไปดูที่หลับที่นอนของคุณป้าเล็กนะครับพอพูดเสร็จนะครับคุณป้าเล็กก็โอ้โหคุณป้าเล็กนะครับท่านเดินเร็วมากนะครับจนผมแทบจะตามท่านไม่ทันเลยนะครับ หลังจากเดินตามท่านไปนะครับก็ได้เห็นนะครับสิ่งของต่างๆนะครับที่ผู้คนนะครับทำการบริจาคมาให้คุณป้าเล็กก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็แล้วก็ขอบคุณนะครับทุกๆท่านเลยนะครับที่มีเมตานะครับแล้วก็ช่วยเหลือคุณป้าเล็กด้วยนะครับซึ่งผมเห็นแววตาของคุณป้าเล็กแล้วก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าท่านมีความสุขนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่มีคนอื่นนะครับยังเห็นคุณค่าของตัวท่านนะครับแล้วก็ช่วยเหลือท่านนั่นเองนะครับผมก็เลยถามคุณป้าว่าคุณป้านอนที่ไหนคุณป้าก็บอกว่าท่่านนนอทีเปครับ แต่บอกผมว่าท่านนอนแบบเนี้ยมากว่า10ปีแล้วนะครับเพราะว่าท่านในเลี้ยงน้องหมาไว้เยอะจริงไหมครับการที่เราเลี้ยงน้องหมาเยอะถึง50ตัวเนี่ยเวลาเรานอนจริงไหมครับเขาก็จะไปนอนกับเราด้วยเพราะว่าความเมตตาของผู้เลี้ยงนั่นเองนะครับจึงทําให้สุนัขเหล่านั้นนะครับสัมผัสได้นะครับแล้วก็อยากจะมาคลุกคลีหรือว่านอนด้วยนะครับคุณป้าท่านก็บอกไม่ไหวครับเพราะว่าสุนัขตั้งห้ตัวไม่สามารถที่จะให้นอนรวมด้วยกันได้หมดนะครับท่านก็เลยตัดสินใจผูกเปนอนนะครับก็เป็นวิธีการแก้นะครับของ แต่ถึงจะแก้ยังไรก็ยังมีนะครับยังมีสุนับที่บางตัวก็ยังไปนอง ก, กับท่านอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ถามคุณป้าเล็กว่าคุณป้าเล็ก เ, กเคยมีครอบครัว ม, มาหรือเปล่านะครับคุณป้าเล็กก็บอกว่ามีนะครับมีมีครอบครัว ม, มาก่อนนะครับแล้วก็มีลูกสาวหนึ่งคนนะครับซึ่งปัจจุบันให้ลูกสาวท่านนะครับไปทําทงานที่บ้านฝรั่งนะครับซึ่งเมื่อก่อนคุณป้าก็เคยทํางานที่บ้านฝรั่งนะครับแต่ว่าปัจจุบันให้ลูกสาวทาเหมือนว่าทําแทนอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผม โคตรหูใจจริงๆนะครับเนื่องจากเวลาที่ผมถามถึงลูกของคุณป้านะคุณป้าท่านน้าตาซึมนะครับซึมที่เบ้าตาเลยจนท่านนะครับทนไม่ไหวก็เลยเล่าเรงลอยฟังว่าลูกสาวท่านนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ใกล้กันแค่นี้เองแต่ว่าไม่ยอมมาเยี่ยมท่านเลยนะครับซึ่งโอ้ผมในวันนั้นบอกตรงๆนะครับผมน้ําตาซึมเลยเมื่อผมเห็นนะครับเห็นน้ําเสียงแล้วก็เบ้าตาของคุณป้านะครับซึ่งท่านเนี่ยเหมือนคิดถึงลูกนะคิดถึงลูกสาวมากๆแต่ว่า ลูกสาวไม่ยอกมาเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ของคุณป้าก็ไม่ใช่ว่าสะดวกสบายนะครับก็ลําบากมากแต่ว่าลูกสาวก็ไม่มาดูเลยนะครับทําให้ผมเห็นแล้วก็รู้สึกอดถูกใจจริงๆนะครับผมก็เลยจะพยายามที่จะเปลี่ยนเรื่องนะครับเพราะว่าเริ่มเห็นว่าคุณป้าเล็กท่านพยายามที่จะร้องไห้แล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนเรื่องนะครับก็เลยถามคุณป้าเล็กว่าคุณป้าเล็กรู้ไหมว่าทําไมอุคคลเหล่านี้ก็ถึงเอาของมาให้คุณป้าเล็กคุณป้าเล็กบอกว่าแบบเสียงเบาๆนะครับบอกว่าไม่รู้อะ ผมก็เลยตอบกลับไปหาคุณป้าเล็กว่าเพราะว่าคุณป้าเล็กเป็นคนดีคุณป้าเล็กเก็บน้องหมามาเลี้ยบงบอกตรงวาตอนนั้นผมรู้สึกแท่านทางใจมากมาเลยนะครับคือคุณป้าเล็กเนี่ยท่านไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายนะครับท่านยังชีพด้วยการเก็บของเก่านะครับผู้ท่านกลุ้ยแล้วการเก็บของเก่าเป็นอย่างไหนนะครับทุกท่านที่ท่านไปนะครับท่านก็จะเจอสุนัขอย่างเงี้ยครับจอนจัดที่ คนก็ไปเลี้ยงแล้วนะครับก็มาทิ้งนะครับมันนึกป้าไม่ออกจริงนะครับจนผมเนี่ยได้ไปถ่ายทํานะครับแล้วก็เห็นนะครับวิถีชีวิตที่ป้ากขต้องทําแบบนี้ทุกๆวันนะครับให้กับน้องหมาคือต้องเอาข้าวไปส่งนะครับตามจุดต่างๆแบบเนี้นะครับท้าหผมรู้เลยว่าคุณป้าในรักน้องหมาแค่ไหนนะครับแล้วก็ปลูกพันกับน้องหมาใค่ไหนเช่นเดียวกันนะครับแล้วผมก็เห็นเลยนะครับว่าน้องหมาเหล่านั้นก็ปลูกพันกับคุณป้าเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งทุกวันนี้ครับคุณป้าก็ไม่ใช่ว่าเป็นบุคคลที่มีเงินนะครับหรือมีทองมากมายนะครับแต่ว่ามีจิตใจนะครับที่งามจริงๆรู้จักที่จะแบ่งปันนะครับอาหารการกินนะครับให้กับสุนัขจรจัดเหล่านั้นซึ่งผมได้เห็นแล้วนะครับผมรู้สึกได้ว่ามันอึดอั้นใจจริงๆนะครับก็เลยอยากถ่ายทำนะครับชีวิตของคุณป้าเล็กนะครับมาเผยแพร่นะครับให้กับผู้ที่มีจิตใจบุญนะครับที่บางท่านอาจจะมีกําลังทรัพย์อย่างเงี้ยครับหรือว่าก็มีกําลังที่จะช่วยเหลือคุณป้าท่านได้นะครับ ก็สามารถที่จะติดต่อนะครับไปหาคุณป้าเล็กได้โดยตรงเลยนะครับซึ่งผมได้แนบนะครับหมายเลขบัญชีนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของคุณป้าเล็กมาแล้วนะครับอยู่ในเว็บล็อกอันนี้เลยนะครับท่าไหนนะครับมีความเมตานะครับกับคุณป้าเล็กก็สามารถติดต่อไปได้ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณป้าเล็กนะครับตอนนี้ยังต้องการอาหารนะครับให้กับน้องหม่อีกมากมายเลยก่อนจากไปนะครับต้องขอขอบคุณที่ท่านนะครับคลิกที่ปุ่มนะครับข้อความเสียงของผมเพื่อสะดวกนะครับกับบุคคลที่ ไม่สะดวกนะครับที่จะใช้สายตาอ่านบทความเป็นเวลานานๆนะครับดังนั้นแล้วผมก็เลย อ, อัดเสียงในบทความนี้มาให้ทุกท่านได้ฟังนะครับหากว่าท่านนะครับชอบบทความนี้นะครับหรือว่าชอบวิดีโอนี้อยากจะช่วยเหลือคุณป้าเล็กนะครับหากว่าท่านไม่มีกําลังทรัพย์นะครับที่จะช่วยเหลือคุณป้าเล็กนะครับท่านก็สามารถที่จะช่วยเหลือคุณป้าเล็กได้นะครับโดยการแชร์บทความนี้นะครับให้กับบุคคลที่ท่านคิดว่าถ้าเขาได้เห็นบทความนี้แล้วหรือว่าเห็นวิดีโอนี้นะครับสามารถที่จะ ช่วยเหลือคุณปาเล็กได้นะครับเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านก็ถือว่าได้ทําบุญแล้วนะครับการที่ผมได้สร้างเว็บบล็อกอันนี้ขึ้นมานะครับผมต้องการที่จะเป็นสื่อกลางนะครับให้กับผู้คนนะครับที่มีจิตใจบุญนะครับมาร่วมบุญกันด้วยการแบ่งปันนะครับสิ่งดีๆให้กับสังคมและแน่นอนครับผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้นะครับจะทําสิ่งเล็กๆนะครับที่มันเล็กแต่มันยิ่งใหญ่สําหรับผู้รับต่อไปครับและอย่าลืมนะครับคลิกแชร์คลิกไลค์คลิกอย่างไรไม่ไร้ค่า สำหรับวันนี้วิธีธรรม .com สวัสดีครับ